พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอบรมใจข้ามปีคณะสัทธาญาโจงวันนี้มาจากอุดรและมาจากหลายหลายแห่งมาจาก ลาดบุรีเรือว่ามาจากหลายแห่งเหรอคคดว่ามาจากอุดรทั้งหมดไม่ใช่นะโอมาหลา ย, ลายแห่งจริงๆตัวเน่ะหลวงพ่อเองคงมาจากกรุงเทพไปมาจากอุดร วันนี้ก็มาจากกรุงเทพนะวะแต่ว่าลงมาอุดรได้มากนอนกรุงเทพได้สองคืนวันแรกก็ไปฉันอยู่ที่ศูนย์การค้าอะไรแฮปปี้เซนทันเซนทันอะไรเออนั่นแหละไปก็ เขาก็ได้มนแสดงธรรมมีหลวงปู่เจริญแสดงธรรมเป็นองค์แรกตรงพ่อโอ้ยแสดงธรรมองค์เดียวก็พอมั่งะเขาว่า<ค> อ, อยากจะฟังหลวงพ่อแอเทศเอกแต่โอ้โหคนเยอะนะศูนย์การค้านคนยากไม่ขยับเลยยังแน่นอยู่หลวงพ่อเองก็ได้แสดงธรรมวันก่อเมื่อวานเนี่ยตอนเช้านะ แต่มาเมื่อเช้านี่ก็ได้มารับภาพป่าสามัคคีที่สวนแสงธรรมเพราะว่าสวนแสงธรรมจัดให้มีผ้าป่าทุกเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์สุดท้ายเพราะมันอาทิตย์สุดท้ายจริงๆมันวันที่3 0 3สิบาก็เลยมันใกล้กับวันที่หนึ่งมกราก็เลยถอนถอยยนต์ออกมามาทอดผ้าป่าในวันนี้นะ แต่เมื่อเช้านี่ก็คู่ขนทั้งหลายที่สวนแสงธรรมโอ้โหล้นลามมากกว่าทุกครั้งคงจะเป็นเพราะจวนจะถึงปีใหม่นะสัยาญาติโยมลูกหลานก็เลยมาทำบุญส่งปีเก่ามารับพรปีใหม่คงจะลักษณะอย่างนั้นหละเมื่อเช้านี่แต่คนเยอะจริงๆพอฉันเสร็จแล้วก็ มีศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้ใหญ่มานัดพบอกีกก็เลยทำให้มา อ, อ, อะไรผาจันหอมใช่ไหมทำให้ช้าไปวันนี้แต่ก็โหวิ่งรถตะพัดตะพือมาเหมือนกันนะดูตัวแล้วมันไกลนะถ้ามันใกล้ก็คงจะถึงเร็วกว่านี้เหลวะว่าพอมาเห็นแล้วก็เจ้า ของบ้านเจ้าของพื้นที่ท่านก็พานั่งรถก๊บอบเขาไปดูไปชมสถานที่ของท่านของโยมโอ้รู้สึกว่ า, ามีความอุตสาหะวิริยะจริงๆดูๆแล้วก็มีต้นไม้มีแหล่งน้ำมีที่พักพาใ่หลวงพ่อว่าถ้าหากว่ามีแนวความคิด อย่างคุณโยมนี่หลายหลายคนนะหลวงพอ่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเขาคงจะร่มเย็นนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองก็ได้มาเห็นม า, าทัศนะศึกษาส่วนหนึ่งเหมือนกันอพอวานดูๆแล้วก็ถ้าใจไม่าใจไม่รักป่าจริงๆนะ ถ้าไม่รักธรรมชาติจริงๆคงจะทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้หลวงพอมองดูแล้วว่าจิตใจของเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้านเจ้าของสวนเจ้าของป่า เ, เป็นผู้มีจิตใจที่รักธรรมชาติรักความร่มเย็นเป็นสุขรักป่าพูดง่ายๆตาไม่จริงป่าตรงพงภัยในหลักของพระพุทธศาสนานี่ ท่านก็ให้ยกย่องเป็นแหล่งหนึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ตัดสรู้ในป่านะเทว่าลุคขมูลรเซนาสนังนิสซาระปปชาตัทธเตยาวชีวังอุดซาโฮกรณิโยเมื่อท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วเธอต้องไปอยู่ในป่า อยู่ในป่าส่อแสวงหาความสงบในป่าอันนี้คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะป่าเนี่ยมันเป็นให้ให้ความรู้มากมายหลา ย, ลายอย่างอยู่ในความสงบเยือกเย็นมองต้นไม้หมองธรรมชาติมันมันมีความสุขในระดับให้อยู่จิตใจเป็นธรรมชาตินะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25 ธันวาคมพุทธศักราช 2,559 หรือว่าที่หลวงพ่อได้มาที่สวนป่าแห่งนี้นะนับว่าเป็นการทัศนศึกษาและก็เห็นศรัทธา ญ, ญาติโยมที่มาจากหลายๆแห่งที่มารวมกันผลที่สุดก็มาเพื่อมาเจอกันแล้วก็ได้กลาปรัชนาหลวงพ่ อ, อ, อไหว้พระ ไหว้พระเสร็จแล้วก็สมาทานศีลจะได้จากนั้นก็ได้กล่าวอาราธนาให้แสดงธรรมแต่ตามไม่จริงการสมาทานหรือไหว้พระหรือสมาทานศีลถ้าพวกเราได้ยินไปนัสถานที่ต่างๆเพียงสมาทานศีลศีลคือกฎระเบียบศีลคือข้อบังคับศีล ที่ทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนทำให้พวกเราไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าเป็นผู้มีศีลสรุปและสศีลของพระพุทธเจ้าที่ศีลห้าเนี่ยนะเป็นศีลพื้นฐานสำหรับศรัทธาญาติโยมอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงสำหรับศีลห้าเนี่คือศีลอุบาสกอุบาสิกาถ้าหากว่าผู้ใดเป็นผู้มีศีล อยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันให้อภัยกันเพราะหรเหตุไรพาะว่าต่างคนก็ต่างมีสินคุ้มครองมีกฎระเบียบคุ้มครองเพราะต่างคนต่างเหตุคุณค่าของสินถ้าว่ากลุ่มใดก็ตามขาดสินการอยู่ด้วยกันก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันหวาดระแวงกันตลอดเพราะเหตุไร เพราะว่าไม่รู้จะออกมาไม้ไหนนี่แหละศีลของพระพุทธเจา้าถ้าเรานึกดูเรื่องเราวิเคราะห์ดูแล้วศีลเป็นเครื่องคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราอยู่ในศีลนะคาว่าศีลคำนี้อันดับแรกที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก่อนที่จะรับศีลพวกหลวงพ่อก็ภาว่านโมนาว่านโมซะก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตถึงสามจบ ความแปลหรือความหมายของหนมโมกันว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มี พ, าพาระภาคกรหัณตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือหนโมสามจบทําไมเราจะรับศินจึงว่ากล่าวว่าหนามโมเพราะว่าศินที่เราจะรับรักษาเนี่เป็นศินของพระพุทธเจ้าเป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเออเป็นที่พระพุทธเจ้าเออเป็นผู้ตั้งขึ้นมา อ, อ เป็นแนวความคิดของพระองค์ท่านแล้วทีนี้เมื่อเป็นความคิดของพระองค์ท่านแต่ท่านตรัสออกมาท่าน พ, พูดออกมาเป็นพระธรรมคําสอนเราก็ยอมรับว่าสิลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงทต่้าว่าพวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับนํารับธรำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราจึงกล่าวหน้าโมงนอบน้อมต้นความคิด ที่ท่านเป็นศาสดาต้นพระพุทธศาสนาเราจึงหวนนะโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสังสามคังจะละกับพุทธทังรรมังสังคังสระนางคัดฉาไมข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ ร, ร, ร, ร, รู้ชอบโดยพระองค์เองและกับกล่าวพระธรรมคือคําสอนออกมา คือเนี่ยพระธรรม8ป0 0 0ืพันพระธรรมมะขันคือศินห้านี่ก็คือพระธรรมศินอุโบสถน่ยมีมากมายจ่วงแปดนสี่พันพระธรรมขันอันนี้คือพระธรรมคําสอนจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวพระธรรมก็หมดไปอ พวกเราก็ไม่รู้พระพุทธรรธรรมไม่เกิดแต่เมื่อพระสงฆ์นําพระธรรมออกมาบอกกล่าวพวกเราจึงได้รู้ว่าพระธรรมคําสอนของพุทธทาสมีประโยชน์มีคุณค่าจริงจากนั้นเราจึงยืนยันพุทธทางธรรมบังสังขังสรารนางังคตฉาม้ดุตีย่มปิยืนยันเป็นครั้งที่สองตาตีย่มปิยืนยันเป็นครั้งที่สจะ ย, ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรารนณะเป็นที่พึง่ง จากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิข่าไปเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่ากันเนี่ยเราไปฆ่าคนอื่นใช่เราไปฆ่าคนอื่นชัใจอีกต่างหากพอะเราไปฆ่าคนอื่นแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องฆ่าวงศาคณาญาติของเราฆ่าลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขา เขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าหากว่าโลกยังมีการฆ่ากันอยู่โลกทั้งโลกจ้องเดือดร้อนผุนวายแน่เพราะนั้นท่านจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันอันนี้คือสินของพุทธะข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอธินาธานาเวระมณีอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยคนอื่นเขาเขาก็เสียใจ ถ้าเขามาขโมยของเราขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกฆ่าไทยเราก็เสียใจถ้ามาเราไปทำให้กับคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าขโมยกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราวรมา์มณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเห็นถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจ ถ้าเราเขามาล่วงล้ำเราเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สมข้อที่สมุสาว า, าเวระมณีอย่าไปคิด อ, อย่าไปโกห ก, ก, กต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาทำให้เขาเสียใจถ้ามาเขาทำมาทาให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน เ, เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติ อย่าโกหกต้มตุ่นหลอกลวงคนอื่นเขาในเมื่อให้เขามาทำให้กับเราเราไปทำให้กับเขาเต่างคนก็ต่างเสียใจเพราะนั้นให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสินข้อที่สี่สรุปแล้วสินของพระพุทธเจ้าถ้ามองดูแล้วมันสินสิ น, สนมันเหมือนขยวกห่างไกลกับพวกเราแต่ตามไม่จริงสินกดระเบียบนี่เขาเราเขาเรา เ, เราต้องการไม่อยากจะให้เขามาเลียดเลียนเราเรา เราก็จะไปยาไปเบียดเบียนเขาในเมื่อเราไปเบียดเบียนเขาเขาก็เสียความรู้สึกเขาทกใจในเมื่อเขามาเบียดเบียนเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองดูแล้วไม่ไม่ใช่อื่นไกลแต่สินข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วไในทุกอย่างเพราะคนขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จละลาะบล ะ, ละลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครคนใดจะโกหกใครก็ได้เพ่อะไรเพราะขาดสตินี่แหละเมื่อคนขาดสติไม่เป็นผลดีเพราะพระเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หอย่าไปดื่มสุราและเมลยัยคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันไหนก็ตามท่านดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติ เนื่องเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วไในทุกอย่างศินข้อที่5ศาสินข้อที่1จะฆ่าใครก็ได้ศินข้อที่สองจะขโมยใครก็ได้ข้อที่สละลาบประลงในสามีภรรยาของใครก็ได้ศินข้อที่สี่จะโกหก ต, ต้นต่วนหลอกลวงใครก็ได้เพราะอะไรเพราะมันขาดสตินี่แหละสิลของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณาแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันสืบเนื่องกันเพราะฉนั้นโบราณนักจารย์ทั้งหลายเว ล, เวลา มีพิธีกรรมพิธีการออกมาท่านจึงให้พวกเราพวกลูกหลานทั้งหลายอย่างน้อยก็ให้ลำลึกถึงศีลถึงธรรมบ้าง เ, เวลามีกิจพิธ เ, เกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้าเห็นพระมาหรือว่าศาสนาพิธีใดเกี่ยวกับพุทธศาสนาท่านจึงให้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีล น, นี่แหละศีลมีคขูนค่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกลูกหลานได้ฟังอันนี้คือศีล น, นะ แต่หลักของพุทธศาสนาที่หลักจริงๆหลักใหญ่จริงๆคือทานทานศีลแล้วก็ภาวนาอันนี้คือหลักใหญ่ของพุทธะเกี่ยวเนื่องกันยังไงทานคือทานในการอยู่ด้วยกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าอย่างเจ้าของอย่างเจ้าของสวนผ้าจันร์หอมเนี่ยเนี่ยเป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้มีผู้ผู้มีการเสียสละ พวกเราท่านทั้งหลายก่อนเนี่ยพอใจชอบนี่ก็เหมือนกันการมีการเสียสละต่อกันเนี่แหละเป็นผลดีพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกขึ้นมาก่อนการเสียสละการอยู่ด้วยกันคือการเสียสละการช่วยเหลือชุมชนสังคมล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละคือฐานะทางนั้นถ้าว่าคนอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละไม่มีการให้อภัยกัน คำว่าทานะคำนี้มันมีอยู่หลายอย่างเอ่อเียว่าทานะคือการเสียสละข้าวน้ําโภชนะอาหารเรียกว่าทานเหมือนกันแล้วก็อภัยยทานคือการให้อภัยกันเมื่อเขาล่วงล่วงเกินเราเออทั้งที่เราเจ้าโทษเขาเออมันไม่มากนักนะแล้วก็เอาให้อภัยกัน อ, อ, อันนี้ก็ให้อภัยทานแล้วก็ วิทยาทานก็คือการให้ความรู้กับเขาในเมื่อเรามีความรู้เราก็ควรให้ความรู้กับเขานี่แหละคว่าทานธรรมนี่มี2องสาอย่างนะอามิจทานอาภัยทานแล้วก็วิทยาทานนี ว, ว่าธรรมทานหลวงพ่อกำลังพูดเนี่ย ว, ว่าธรรมทาน ให้ธรรมะหรือให้แนวความคิดเนี่ยหลักที่ว่าจะถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะไปได้ดีอันนี้เรียกว่าธรรมทาน น, ะนี่แหละฐานะมันมีหลายระดับ เ, เรื่องศีลก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่เรื่องภาวนาภาวนาคำนี้น ะ, ะแต่โดยมากพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือว่าเป็นถือว่าสุดเอื้อมเรื่องภาวนา เผอๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของที่อของพระผูอะ้อยู่ในป่ารงพงภ์ไพรแล้วผู้ปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาแต่ตามไม่จริงมันเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนเป็นของพวกเราทุกๆคนพวกเราต้องฝึกในการให้มีสติสัมปชัญญะนะถ้าว่าพวกเราไม่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปก็เป็นคน ป่ปัมเปเปอเป็นอัลไซเมอร์ได้ไง่ายเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องฝึกหัดสมาธิเนี่ยเราจะรู้ได้หลายอย่างในการฝึกพ่อหลักของพุทธศาสนานี่ทานศีลภาวนาเน่มันเป็นส า, ส, าสามเรื่องเรื่องราวสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพระพเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ภาวนาของท่าน ไปภาวนาอยู่ในป่าทึ้งหปีลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกไปบําเพ็ญอยู่ในป่าตามลําพังพวกเราคิดดูใชว่าพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขขนาดไหนแล้วไปอยู่เป็นอนาถาอยู่ในป่าดงพงไฟถ้าว่าคนทุกวันนี้เข า, เาถ้าเขาให้เขาคิดก็คงจะเนี่ยบ้าบ้าบองบองเขาคงจะว่าอย่างนั้นแหละท่นี่ แต่พระพุทธเจ้าท่านมีความหมายยังไงมีความหวังยางไงในใจของพง์เรามองไม่เห็นแต่ทอนนี้เมื่อท่านพระองค์ต้องการอะไรพระองค์มีความต้องการมีความพยายามมีความมุ่งมั่นจากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญอยู่ในป่าทั้ง6ปีจนได้สูตรสำเร็จออกมาพอได้สูตรสำเร็จออกมาแล้วก็เ น, นี่ยมาประกาศมาเผยแผ่มามาแนะนาสั่งสอนบอกบอกกล่าวพวกเรา ออกมาจากพระไถยออกมาจากความประพฤติปฏิบัติออกมาจากจิตตภาวน า, าทาทั้งหลายออกมาจากเรื่องของใจทั้งหมดที่พระพุทธองค์ได้นั่งคัดสมาธิที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนท่านนั่งคัดสมาธินะ อ, อย่างที่เรามองเห็นพระพุทธรูปเห็นพระพุทธรูปที่ไหนเราท่านก็นั่งสมาธิคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดารงสติเฉพาะนา กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญจากนั้นพระทัยใจของพระองค์รวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาด้วยวิญญาณทัศนะแล้วว่าปุเพนิวาสานุสติญา ล, ลึกชาติผลหลังได้นี่หลักของพุทธศาสนาขอให้พวกเราคณะสัตย า, าญาติโยมทุกท่าน สรุปแล้วก็คือหลักของพุธทธศาสนาที่พระองค์ได้ตัดรู้ญาณัตยานทัศนะครั้งแรกก็คือปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทุนหลังได้สรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูญในหลักของพุธทธศาสนายืนยันอย่างนั้นได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าธรรตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทุนหลังได้ปัญพรัชนภาวนา เพ น, นั้นให้พวกเราคณันจัทยาญาติโยมทุกท่านเมื่อเราทําสิ่งที่มันไม่ดีกรรมไม่ดีจะตามสนองถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะตามสนองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะตามสนองกรรมชั่วให้ผลกับกรรมดีให้ผลมันแตกแตกต่างกันถ้ากรรมชั่วให้ผลก็ไปทางต่ําถ้าพวกเรา อ, อยู่เป็นมนุษย์แต่ทําเรื่องที่มันเลวๆนะ แทนที่มันเร็วๆนะกรรมชั่วก็จะให้ผลกรรมชั่วให้ผลเป็นไงอย่างน้อยกระทำถูกตำหนิติฉินนินทาอยู่ในคนในท้องถิ่นก็ไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากนั้นคนก็ไม่อยากคบเป็นหมู่เป็นเพื่อนจากนั้นมาเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางเา้วก็ตัดสินคดีกับความถ้าว่าทําโทษหนักก็ตัดสินหนักถ้าใครโทษเบาก็ตัดสินเบา แต่ว่าใครทํากรรมชั่วมากๆก็นะอาจจะถึงโทษประหารก็ได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น น, นั้นแหละคือกรรมชั่วให้ผลแต่กรรมดีให้ผลเมื่อเราทําดีสิ่งที่มันดีนะใครๆก็ยกย่องอย่างที่เจ้าของสวนนี่แหละทั้งสองตายาญเนี่ยนะพวกเราก็อยากจะมาคบค้าสมาคมอยากจะมาเยี่ยมมาเยียนถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็เข้ามาหามามาชมมาดู มาเยี่ยมมาเยียนะปไปไรเพราะามีน้ําใจนี่แหละอันนี้คือคนดีนะ เ, เมื่อเมื่อดีขึ้นมาแล้วใครๆก็ชอบนะถ้าเลวนะใครๆก็กลัวนะ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราใจของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละทีนี้ถ้าวันไหนข่าวไหนใจของเรานึกโมโหโกรธาใจเป็นนักเลงใจเป็นคนที่ไม่ดีนะใครๆก็กลัวมันกันนะ เ, เพราะนั้นพวกเราต้องทําใจให้เป็นศีลเป็นธรรม ให้มีเมตตาต่อกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัตยาญาณโยมทุกคนนะให้ประกอบแต่คุณงามความดีคิดดีทําดีพูดดีถ้าเราคิดดีทําดีพูดดีแล้วความดีนะั้นจะเข้ามาสู่พวกเราพวกเรามีแต่ความเจริญรุง่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าข้างหน้าหลวงพ่อเองก็พอได้แนะนํา ที่สวนแสงธรรมบ้างที่ไหนบ้างหลวงพ่อบอกเออพวกเราสวดมนต์ข้ามปีหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเพื่อเอาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นสรินสริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราแต่ตามไม่จริงพอถึงสวดมนต์ไปแล้วนะ่ประมาณสักห้าทุ่มครึ่งควรจะหยุดหยุดสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนา ดูจิตใจของตนเองนั่งไปหนึ่งชั่วโมงแปลว่าเที่ยงคืนเที่ยงครึ่งเราอย่างค่อยออกสวดมนต์ต่อทําไมจึงให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราสวดสวดสวดไปแล้วก็ข้ามคืนไปก็ใช่มันก็มันก็ไม่ไม่รู้ว่า เ, เป็นยังไงแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะทบทวนดูสามสินาทนีก่อนเที่ยงคืนแล้วก็30นาที หลังเที่ยงคืนเป็นชั่วโมงหนึ่งพอดีเรานั่งสมาธินะเราทบทวนโดูสิว่าปีที่แล้วเนะี่ยปี2559คเนี่ยข้าได้ทำอะไรมาบ้างตัวของเราได้ทำอะไรมาบ้างทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับความคิดการกระทำหรือการพูดของเราทาให้สามีภรรยาทำให้ลูกหลานทั้งหลายหรือมิตรสหายทั้งหลายเดือดร้อนเพราะความคิดของเรามีมีไหม หรือว่าการกระทำของเราเราเบียดเบียนพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาคณะญาติมีไหยหรือเราคิดไปในทางอากุศลมุกมุ่นไปในทางกิเลสราคะโทสะโมหะมันมีไหมในปีั้อยในาี2 5เ9เนี่ยเอาเถอะเมื่อคิดเราคิดดูแล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนเองในเมื่อเราคิดทบทวนดูแล้วนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีเอาเถอะ ปี2 5ง0น้อสินี่น่ะสิ่งที่มันไม่ดีข้าพรเจ้าจะไม่คิดข้าพรเจ้าจะไม่ทำข้าพรเจ้าจะไม่พูดคือตั้งต้นใหม่จะไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะชีวิตของเรามาปูนนี่แล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ชีวิตของข้าเพราะนั่นข้าจะประกอบแต่คุณงามความดีเรื่องสิ่งที่มันไม่ดีอย่างใครพู้ติดโปเ เอาข้าวไปเจ้าจะงดบุหรี่ข้าวไปเจ้าจะงดกินเหล้าข้าวไปเจ้าจะงดการพนันข้าวไปเจ้าจะงดความโกรธมันมีมากมายที่เราที่เราดูตัวของเราแล้วที่สิ่งที่มันไม่ดีทำให้สามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่ของเราไม่สบายใจกับเราในจุดนั้นเราจะหยุดจะไม่ทำในจุดนั้นนี่แหละให้พวกเรามองดูตนเองแล้วก็ตั้งต้นใหม่นี่แหละหลวงพ่อว่า ถ้าพวกเราทําได้อย่างนั้นนะหรือว่าสั่งสอนพวกเราทําไม่ได้ก็สั่งสอนลูกๆลั่นหลานผู้เกี่ยวข้องกับเราเให้พวกเขาเป็นผู้ให้เขาสํานึกว่าการกระทําถิ่งที่มันไม่ดีนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะพ่อแม่เดือดร้อนเป็นทุกข์กับเราเถ้าว่าอยู่ด้วยกันไม่ประพฤติตนไม่ดีการกระทําหรือการโพดออกไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อน หรือว่ามันออกไปจากใจทั้งหมดนะเรื่องของเรื่องนะในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงว่าให้นั่งภาวนาให้ดูใจใจมันคิดเรื่องอะไรแต่ละวีแตละวัดถ้าหาว่าใจของเราคิดดีการกระทําออกไปมันก็ดีการพูดออกไปมันก็ดีเพราะเหตุไรเพราะใจของเราใจดีคำว่าวดี ค, คือใจมีเหตุมีผลนะใจไม่สุดตรง ไม่ใช่ว่าโกรธโมโหโกรธาทำให้สิ่งที่มันไม่ดีแต่สิ่งที่มันไม่ดีเดือดร้อนนะถ้ามันทำสิ่งที่ดีมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกเพราะนั้นใจของเราเนี่ยต้องระวังสรุปแล้วคือต้องเอาศีลเอาธรรมเอามาอบรมสั่งสอนต้องเอาสมาธิเข้ามาอบรมจิตใจถ้าจิตใจของเรามีสมาธิดีมีเหตุมีผลดีการกระทาออกไปก็ดีการพูดออกไป มันก็ดีเพราะออกมาจา ก, ก จ, จิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะประกอบคุณงามความดีนะและก็พร้อมกันหลวงพ่อเนี่ยวงฟังฟังดูงเราจะมีการทอดผ้าป่าหลวงพ่อคุณป้าก็เออดีนะทำไมจะว่าดีนะหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ฉลองนนะเพราะหลวงพ่อเองกเอ็เมื่อวันที่8ดที่เกเนี่่น้ำท่วมวัดของหลวงพ่อเสียหายมาก แต่หลวงพ่อไม่พูดมันจกอยู่ในไหนเหมือนกันนะโอ้ทาไมวะออกพันตามปกตินี่อออกพันษาแล้วเดือนสิบเพนเนี่ยมันหมดแล้วฝนแต่นี้มันเกือบเดือนสิบสองเพนมันมาได้ยังไงยังมาแปลกอิ่เหมือนกันนะนะเพราะมันมากเพราะว่าวันที่สิบสี่เนี่ยมันเดือนสิบสองเพนเอยตั้มตีมันหมดแล้วมันเกือบจะเข้าหน้าหนาวอยู่แล้ว วันวันที่แปดที่เก้ามันฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มนะจนถึงตีสี่นะมัน um ไม่เคยไม่เคยขาดเลยนะพักชักชักเขาวัดสองร้อยเจ็ดสอง้สิบเจดมิลลิเมตรหรืออะไรนี่ยนะฝนตกวันนั้นนะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอ้โหน้ำมันท่วมไปหมดเลยทเนีดยอตอตออออลงไปลงพ่อกันรีบลงไปบัญชาการขนของขึ้นที่สูงเลยว่างั้นเถอะ แต่มันก็ไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมไม่ท่วมโรงครัวไม่ท่วมสาลาไม่ท่วมกุฏิพระนะแต่มันท่วมต้นไม้โอ้โหเสียหายพอสมควรกำแพงพังไปตั้งกำแพงล้มเลยเน่ยอ่เมตรนะกำแพงล้มนะและก็กำแพงมันพร้อมที่จะล้มล้มนะใครกขามันขุดดินมันขุดดิ่งผุดรากแต่มันยังไม่ล้มเอ็นเอ็นไปเหมือนกันนะ ออันนี้ประมาณสักเก้าเบสี่เม็ร <Okay. S 1> ตัวนี่ที่เขาจับตลับเม็ดมาวัดแต่ถนนขาดไปสองช่องช่องหนึ่งถมแล้วพอมันอยู่มันไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้จริงๆเพราะมันตัดขาดลึกจริงๆริถมดินหมดไปรถสิบ ล, ลอ้อหมดหมดไปเกือบสี่สสี่ร้อยคันรถนะ mm hmm. เออเออไม่ใช่น้อยเลยแต่นี่เต็มแล้วแต่นี่สภากำแพงที ไอ้ตรงที่มันการที่กําแพงเอียบเหมือนกันวันนี้ก็ยังเหลือกําแพงเลยจะต้องทําแต่ทางในกลางวัดอีก37เมตรเอออันนี้ก่อนเอาตลับเมตรเขาวัดเนี่ยทำไม่เขาจึงวัดละเอียดเพราะว่าพอมันเสียหายขึ้นมาก็มีกรมทางหลวงชนนบทและก็กรมโยธาและก็กรมชนประธาน3กรมเข้าไปสํารวจตรวจตรา เขาก็เลยวัดอย่างละเอียดเพื่อเขาจะได้ขอเงินนะขอเงินมาซ่อมพอมันเป็นวัดกำแพงล้มตอนนี้เขาก็เลยเสร็จแล้วก็มาตารวจเสร็จแล้วก็ทางกรมการศาสนาเขาก็ทำแบบฟอร์มให้หลวงพ่อกรอกนะหลวงพ่อกรอกเสร็จแล้วเขาจะให้เจ้าคณะตำบกลกรอกแล้วก็เจ้าคณะอำเภอนายอำเภอเจ้าคณะจังหวัด สำนักพจนศแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทงเข้ามาทางฝ่ายเจ้าคณะภาคกรมการาศาสนาจากนั้นก็เข้ามากระทรวงศึกษาหลวงพ่อโอ้ถ้าขออย่างนั้นนอีกสักสีหปีจะได้สร้างหรือเปล่ า, าก็ไม <c oughs> <c oughs> ่รู้เหลวงพ่อก็เลยไม่เอาแล้เงินหลวงเนี่ยว่าก็เลยเอาเอาให้ให้ หลวงแล้วไปช่วยชาวบ้านซะสาหรับของหลวงพ่อเนี่ยก็เอาเงินวัดเงินพี่น้องประชาชนนี่แหละทำไปทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นล่ะทำเท่าทได้เท่าเท่าไหร่ก็ทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มาท่วมหมอกเข่าห ม, มอกแกงเรามันไม่ได้ท่วมที่พักพายอาศัยเรามันมีแต่ทาถนนขาดเราก็หาไม้มาพาดพาดไกลๆไปซะให้เดินไปได้แล้วก็กําแพงเราก็กลัวสัตว์จะออก หลวงพ่อเคยให้หาไม้ตัดไม้มไม้สักมันมีมากเลยที่หลวงพ่อปลูกมันทีเกินไปอย่างบ้านสวนของเรามันทีเกันไปหลวงพ่อตัดตัดตัดมันมันหลวงพ่อปลูกไม้สักเป็นช้นแสนต้นเลยตัดตัดตัดเป็นท่อนๆก็เสียบเสียบเสียบเอาไม้ไผ่มาตีเป็นเหลาจะน่าเอาสังกะสีในวัดปูพังๆนี่แหละมาปิดปิดปิดเพื่อไม่ให้เก้งมันออกไปให้หมูป่าออกไม่ให้เต่ามันออกเต่ามันก็เยอะเลยตั้งเต่าน้ําเต่าบกนะ มันคานตมเตียมต้มเที่ยงไปมันจะออกออกวัดออกนอกวัดไปถ้ามันออกไปเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกเ อ, อต่อไปมันคานต้มเตียมไปหาหมอกเข่าหมอกแกงเขาหน่อสิหลว ง, งพ่อก็สงสารมันอีกทนี้ก็เลยปิดกั้นไว้ อ, อรีบจัดการปิดเลยนี่แหละทีนี้หลวงพ่อามาคิดดูถึงจะเราจะเอาปิดเพียงแค่นี้ก็มันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า ถ้าหากว่าเราทําได้เสร็จถ้ามีปัจจัยเออทาได้ก็ดีถ้าหากว่าทําไม่ได้ก็ถึงสิบหปีน่ยมันจะค่อยมีทุกครั้งหนึ่งครั้งก่อนกันหนึ่งสองพันห้าอสี่สิบสองพันห้าร้อสี่สิบสี่มากน้ำมาขาวนั้นน่ยครั้งหนึ่งเขาไม่ถึงขนาดดีแต่ขายนี่มันมาเนี่ยมาแรงเข่านี่ยเพราะฉะนั้น กระถิญผ้าปา่าแต่ละปีมึงคงจะทําเสร็จได้อยู่มากถึงสิบกว่าปีไงหลวงพ่อก็ว่ า, อ ย, านนะยวอย่างนั้นทําใจเย็นๆไว้อย่างงั้นเถอะทําแบบว่าเศรษฐกิจกพอเพียงแบบในหลวงแล้วกั้นเถอะในหลวงบอกว่าอย่าไปกูน้นี่ยืมสินมาทําให้เป็นหนี้เป็นสินทาให้ตนเองเดือดร้อนอ น, นี้หลวงพ่อกันนะั่นแหละทำแบบเศรษฐกิจกพอเพียงนะแต่ว่าถ้าหว่าศรัทธาญาติโยมผู้ใดจะมาช่วย ให้คัมภีเสร็จๆร็จไปหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะสบายใจดีวะเออเออเอาการกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ขอเห็นว่าส้มควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอนุภาพบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ท่านทาคุณงามความดี ให้กับประเทศชาติขอให้บุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้กล่าวมาขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกๆคนด้วยเทอ